ทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระธนิยกุมภการบุตรถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระธนิยกุมภการบุตรถือเอาไม้หลวงซึ่งยังไม่ได้รับพระราชทานในปาราชิกสิกขาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติ